2ปริเยสนาสูตรว่าด้วยการสแสวงหาภิกษุทั้งหลายอนาริยปริยสนาสประการนี้อนาริยปริยสนาสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมสแสวงหาแต่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา 2. ตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา 3. ตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา 4. ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาแต่สิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายอนายปริเยสนาสประการนี้แหล ภิกษุทั้งหลายอริยะปริเยชนาสีประการนี้อริยะปริเยชนาสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วย่อมสแสวงหานิพพานอันไม่มีความแก่ซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม 2. ตนเองเป็นผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา รู้โทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความเจ็บไข้ซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม 3. ามตนเองเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความตายซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมส ตนเองเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดารู้โทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วย่อมแสวงหานิพพานอันไม่มีความเศร้าหมองซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายอริยะปริเยสนาสี่ประการนี้แลปริเยสนาสูตรที่สองจบ สังคหวัตถุสูตรว่าด้วยสังคหวัตถุภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุทำเครื่องยึดเหนี่ยวสีประการนี้สังคหวัตถุสีประการอะไรบ้างคือ 1. ทานการให้ 2. อปิยวัชวาจาเป็นที่รัก 3. อัตจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. สมานตตา การวางตนสม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายสังขวัตถุสประการนี้แลสังขะวัตถุสูตรที่สจบ 4. มาลุงกระยะุตตะสูตรว่าด้วยพระมาลุงกระยะบุตร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 โอทิสกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุงกยะบุบตรบัดนี้เราจะกล่าวกับพวกภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยยอ่อพระมาลุงกยะบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอ่อแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคต โปรแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคได้บ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาแห่งพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคได้บ้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุงกะยะบุตรมีเหตุเกิดแห่งตันหาสี่ประการนี้ที่ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้ มีเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุ 2. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปิณฑบาตเป็นเหตุ 3. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนนะเป็นเหตุ 4. ตัณหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีขวา มาลุงกระยะบุตรมีเหตุเกิดแห่งตัญหาสี่ประการนี้แลที่ตันหาเมื่อจะเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อใดแลภิกษุละตัญหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าตัดตันหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้ว ทำที่สุดแห่งทุก์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบลำดับนั้นแลท่านพระมาลุงกยบุตรอันพระผู้มีพระภาคทรงสอนด้วยโอวาทนี้แล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาท่านพระมาลุงกยบุตรหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่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 ได้เป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายมาลุงกระยะปุตตะสูตรที่สจบ 5. กุลละสูตรว่าด้วยตรกูลภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโคทรัพย์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะเหตุสีประการหรือเหตุใดเหตุหนึ่งบรรดาเหตุสีประการนั้นเหตุสีประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายไป 2. ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่เก่าเคร่ำคร่า 3. ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นใหญ่ในเรือนภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภพกซั์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้ไม่นานเพราะเหตุสีประการนี้หรือเหตุใดเหตุหนึ่งบรรดาเหตุสีประการนั้นภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโพกซัพย์แล้วย่อมดำรงอยู่ได้นานเพราะเหตุสีประการ หรือเหตุใดเหตุหนึ่งบรรดาเหตุสีประการนั้นเหตุ4ีประการอะไรบ้างคือ 1. สแสวงหาพัสดุที่หายไป 2. ซ่อมแซมพัสดุที่เก่าคร่ำคร่า 3. รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่ในเรือนภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่งถึงความเป็นใหญ่ในโภคทัพย์แล้ว ย่อมดำรงอยู่ได้นานเพราะเหตุสีประการนั้นหรือเหตุใดเหตุหนึ่งบรรดาเหตุสีประการนั้นกุลลสูตรที่หจบ 6. กปฐมมอาชานียสูตรว่าด้วย องค์ประกอบของม้าอาชาในสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สีประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์สี่ประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในพันธีของพระราชาในโลกนี้หนึ่งสมบูรณ์ด้วยวันณนะ สสมบูรณ์ด้วยกำลังสมสมบูรณ์ด้วยชาฝีเท้าสสมบูรณ์ด้วยสวดส่งภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สีประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ชันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการก็ชันนั้นเหมือนกัน ย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สมบูรณ์ด้วยวันนะ 2. สมบูรณ์ด้วยกาลัง 3. สมบูรณ์ด้วยชาวสสมบูรณ์ด้วยสวดส่งภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวันนะเป็นอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลและถึงสมถทานศึกษาอยู่ในศิคาบททั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวั น, นะเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารกความเพียรอยู่เพื่อละอกุสนธรรมเพื่อให้กุศนธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุสนธรรมทั้งหลาย ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทาภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวเป็นอย่างนี้ แ, แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยสวนทรง <c oughs> เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้จีวรบิณทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศัศบริคารภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยส่วนทรงเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกวัฒนธมอาชานิยสูตรที่6จบ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 1>, 1. สมบูรณ์ด้วยวั น, นะ 2. สมบูรณ์ด้วยกำลัง 3. สมบูรณ์ด้วยเชาวส 4. สมบูรณ์ด้วยส่วนทรงภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์สีประการ น, นี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สมบูรณ์ด้วยวันนะ 2. สมบูรณ์ด้วยกำลัง 3. สมบูรณ์ด้วยเชาว 4. สมบูรณ์ด้วยส่วดทรง ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวั น, นะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลและถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวั น, นะเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารกความเพียรอยู่เพื่อละอคุณธรรมเพื่อให้คุณธรรมเกิด มีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอธทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างนี้แหลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยส่วนทรงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพสัตวบริขารภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยส่วดทรงเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยอาชาเนียสูตรที่เจ็ดจบ 8. พระสูตรว่าด้วยพระภิกษุทั้งหลายพระสี่ประการนี้ พระสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. วิริยะพระ 2. สติพระ 3. สมาธิพระ 4. ปัญญาพระภิกษุทั้งหลายพระสี่ประการนี้แลพระสูตรที่8จบ ว่าด้วยธรรมของภิกษุผู้ควรอยู่ป่าและไม่ควรอยู่ป่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทาสีประการไม่ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบธรรมสีประการอะไรบ้างคือภิกษุ 1. ประกอบด้วยการมวิตกความตรึกในทางการม 2. ประกอบด้วยพยาบาทวิตก ความตรึกในทางพยาบาทสาประกอบด้วยวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียน 4. มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนิแลไม่ควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการควรอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบทำสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุ 1. ประกอบด้วยเนคข ม, มะวิตกความตรึกปลอจากกรรม 2. ประกอบด้วยอภยบาตรวิตกความตรึกปลอยจากพภยาบาท 3. ประกอบด้วยอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอยจากการเบียดเบียน 4. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะพุทธุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการ น, นี้แหลควรอาศัยเซนาสะนะอันเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบอรัญญสูที่9จบ กรรมมสูตรว่าด้วยกรรมและทิฏฐิที่มีโทษภิกษุทั้งหลายคนผ่านผู้มีเฉียบแหลมเป็นอสัตว์บุุษประกอบด้วยทำสีประการเย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากทำสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งกายกรรมที่มีโทษ 2. อวจีกรรมที่มีโทษ 3. ม, มโนกรรมที่มีโทษ 4. ทิชิที่มีโทษภิกษุทั้งหลายคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นสัตว์ปรุษประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทำลายมีความเสียหายถูกผู้รู้ติเตียนและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัพหรรดประกอบด้วยทำสีประการย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและประสบบุญเป็นอันมากทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. กายกรรมที่ไม่มีโทษ 2. วัวจีกรรมที่ไม่มีโทษ 3. มนโนกรรมที่ไม่มีโทษ 4. ี่ทิฏฐิที่ไม่มีโทษ ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตว์ประุษประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและย่อมประสบบุญเป็นอันมากกรรมสูตรที่10จบอภิญยาวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งอภิญญาสูตร 2. ปริเยสนาสูตร 3. สังฆาวัตถุสูตร 4. มาลุงกะยะปุตตะสูตร 5. กุลลสูตร 6. ปฐมมาอาชานยสูตร 7. ทุติยอาชานยสูตร 8. พระสูตร 9. อาอรัญญสูตร 10. กรร ม, มสูตร เกรมมปัทวรคหมวดว่าด้วยกรร ม, มบทหนึ่งอานาติปาตีสูตรว่าด้วยผู้ฆ่าสัตว์และผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยรำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ สชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการฆ่าสัตว์ 4. กล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญประดิษฐานไว้ ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 4. กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว ปาณาติปาตีสูที่หนึ่งจบ 2. อาทินนาทายีสูตรว่าด้วยผู้ลักทรัพย์และผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ต้ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้พอใจการลักทรัพย์ 4. กล่าวสรเสริญการลักทรัพย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการ น, นี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขลาจากการลักทรัพย์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการลักทรัพย์ 4. กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการลักทรัพย์ภิษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนิแลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อธินาทายีสูตรที่สองจบ สมิจฉาจารีสูตรว่าด้วยผู้ประพฤติผิดในกลามและผู้เว้นข่าจากการประพฤติผิดในกลามภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการย่อมดํารงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฟังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกางสองชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกางสาม เป็นผู้พอใจการประพฤติผิดในกางสี่กล่าวสันเสริมการประพฤติผิดในกลามภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1นึตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกางสองชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกางสามเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกางสี่กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกลามภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการ น, นี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มิเชาจารีสูที่3จบ 4. มุสาวาทีสูว่าด้วยผู้พูดเท็จและผู้เว้นขาจากการพูดเท็จภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1.. ตนเองเป็นผู้พูดเท็จ 2. ชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จ 3. เป็นผู้พอใจการพูดเท็จสี 4. กล่าวสรรเสริญการพูดเท็จภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรมสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นข้าจากการพูดเท็จ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเท็จ 4. กล่าวสรรเสริญการลดเว้นจากการพูดเท็จภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มุสาวาทีสูตรที่สจบ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 เป็นผู้พอใจการพูดส่อเสียด 4. กล่าวสรรเสริญการพูดส่อเสียดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการ น, นี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการผู้ส่อเสอียด 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการผู้ส่อเสียด 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการผู้ส่อเสียด 4. กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการผู้ส่อเยดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการ น, นี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ปิสุณะวาจาสูตรที่5จบ 6. พรุษวาจาสูตรว่าด้วยผู้พูดคำหยาบและผู้เว้นขาจากการพูดคำหยาบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนําไปฝังไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. นึตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบ 2. ชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบ 3. เป็นผู้พอใจการพูดคำหยาบ 4. กล่าวสรรเสริญการพูดคำหยาบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำรม4ประการนี้แลย่อมดํารงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตอนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 2. ชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบ 3. เป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดคำหยาบ 4. กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดคำหยาบภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้พ ร, รุสวาจาสูที่6จบ 7. จ็สำผัสปลาปะสูรว่าด้วยผู้พูดเพ้อเจ้อและผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทำสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 2. อชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อ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 ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อสองชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสามเป็นผู้พอใจการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสี่กล่าวสรรเสริญการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว สัมผัสปลาปะสูตรที่7จบ 8. อภิชาลุสูตรว่าด้วยผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขาและผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสีประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 2. ชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเลงอยากได้ของเขา 3. เป็นผู้พอใจความเพ่งเลงอยากได้ของเขา 4. กล่าวสรรเสริญความเพ่งเลงอยากได้ของเขาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการนี้แล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 3. เป็นผู้พอใจความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 4. กล่าวสรรเสริญความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อภิชารุสูที่ 8. จบ พยาปั ญ, ญจิตสูตรว่าด้วยผู้มีจิตพยาบาทและผู้มีจิตไม่พยาบาทภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาท 2. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาท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 หนตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 2. ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาท 3. เป็นผู้พอใจความมีจิตไม่พยาบาท 4. กล่าวสรรเสริญความมีจิตไม่พยาบาทภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ พยาปัญนนจิตตะสูที่เก้าจบ 10. มิชฌาทิฏฐิสูตรว่าด้วยผู้เป็นมิชฌาทิฏฐิและผู้เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นมิจฉาทิฐิ 2. ชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิ 3. เป็นผู้พอใจความเป็นมิจฉาทิฐิ 4. กล่าวสรรเสริญความเป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการ น, นี้แล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 กล่าวสรรเสริญความเป็นสัมมาทิฐิภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มิจฉาทิฐิสูตรที่ส0บจบกรมมปะปะถะวักที่เจ็จบรวมพระสูตรที่มีนิวักษ์นี้คือหนึ่งปานาติปาติสูตรสองอธินนาทายีสูตร 3. มิชาจารีสูตร 4. มุสาวาทีสูตร 5. ปิสุณวาจาสูตร 6. พรุสวาจาสูตร 7. สัมผัปลาปะสูตร 8. อภิชาลุสูตร 9. พยาปันจจิตตะสูตร 10. มิชาทิฏฐิสูตร ราคะปยานหนึ่งสติปทานสูตรว่าด้วยการเจริญสติปฐานเพื่อรู้ยิ่งราคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดทำสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ละถึง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญทำสี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะสติปทานสูตรที่1จบ 2. สัมมาปทานสูตรว่าด้วยการเจริญสัมมาปทานเพื่อรู้ยิ่งราคะ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 สสร้างชันทะเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. ส, สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่ง ม, มั่นเพื่อความดํารงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะ สัมมปทานสูตรที่2จบ 3. อิธิปาทสูตรว่าด้วยการเจริญอิธิบาทเพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะ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 สถึง3าปริญญาที่สูตรว่าด้วยการเจริญธรรมเพื่อกําหนดรู้ราคะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสี่ประการเพื่อกําหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะ เพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะและถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทาสี่ประการ น, นี้เพื่อความสละคืนราคะและถึงปริญญาทิสูที่สี่ถึงสามสิบจบ 3 1ถึงโทสะอภิญยาที่สตดว่าด้วยการเจริญธรรมเพื่อรู้ยิ่งโทสะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมสี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายละถึงเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะ เพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะและถึงโมหะความหลงโกตะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมัคคะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยา มัฉริยะความตรนีมายามานยาสาเถียะความโ อ, โอ้อวดถามพระความหัวดือ้อสารัมพะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมินมทะความมัวเมาปมาทะความประมาทและถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำสี่ประการนี้ เพื่อความสละคืนปะมาะทะโทสะพิญญาที่สูตรที่3 1ถึง5จบราคะเปยยานจบจตุกะนิบาทจบ